เอยะปุริโสทานังเกิดเป็นคนควรให้ทานในโลกนี้มีคนที่จนยากแสนลำบากดิ้นรนกังวลหาผู้มีทรัพย์อยละกะรุณาควรเมตตาตั้งจิตอุทิศทานบริจาคโพคะสละให้ทั้งของใช้เสื้อผ้ากระยาหารสงเคราะห์คนจนเหลือช่วยเจือจนัน นับเป็นทานการุณบุญอ น, นันต์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องที่อาจารย์ยอดนาออกอากาศมาแปเปอร์เซ็นตนี่เป็นเรื่องที่เกิดทงางภาคอีสานถือเป็นแดนบุญแดนกรรมเลยทีเดียวพระอริยเจ้ารูปต่างๆเกิดมากที่สุดก็ภาคอีสานคนจนที่สุดก็อีสานยามแรงก็แสนที่จะทรมาน ยามฤดูฝนน้ำก็ท่วมแหลกเหลวโ อ, วอ้ชีวิตหนอชีวิตน่าสงสารเป็นที่สุดและเพราะเหตุนี้ครับผมจะเล่าโศกนาฏกรรมครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เกิดบนแผ่นดินอีสานเมื่อวันที่11สิงหาคมปี2511คืนที่ฝนตกหนักฟ้าขนองหนักและองค์พระาธาตุพนมได้ถล่มทลายลงในคืนนั้นวันนี้ผมจะเล่าเรื่องของพระาธาตุพนม ก่อนที่จะถึงวันวิปโยควันนั้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนที่องค์พระาธาตุจะถล่มลงเมื่อวันที่11สิงหาคม2518ครับพระาธาตุพนมพมหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสานได้โค่นล้มย่อยยับไม่มีชิ้นดีเมื่อเวลา19นาฬิกา38นาทีหรือว่าทุ่มครึ่งของคืนวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2518 ตรงกับวันขึ้นสี่ข้าเดือนเก้าปีเถาะท่ามกลางพายุฝนอันเกิดจากดีเพรสชั่นโหมกระหน่ำจากทะเลจีนใต้ซึ่งภาคพื้นนี้และภาคเหนือตามฤดูกาลนี้ต้องเผชิญแทบทุกปีองค์พระาธาตุโค่นล้มลงทางทิศตะวันออกหรือว่าทางหน้าวัดล้มฟาดทับหอพระแก้วอันสวยงามวิจิตรพิสดาร ล, ล้ำค่าพังทลายไม่มีชิ้นดี แต่เป็นที่มหัศจรรย์ว่าพระพุทธรูปมากมายในหอพระแก้วยังอยู่เป็นปกติไม่ได้เสียหายเลยแม้แต่องค์เดียวส่วนองค์พระาธาตุนี่หักออกเป็นสามท่อนเศษอิฐเศษปูนที่แตกกระจายกองพเนนเทินทึกเป็นภูเขาเหล่ากาพระอุโบสถที่อยู่ใกล้ๆกับหอพระแก้วก็พังพินาศไปด้วยปรากฏการณ์อันมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งก็คือยอดฉัตรทองคําแท้หนักแปกิโลกรัมแล้วก็ก้านฉัตรทองเหลืองซึ่งรวมแล้วหนัก 53กิโลกรัมนี้ไม่เสียหายเลยคงบินไปเล็กน้อยยอดฉัดแทนที่จะล้มฟาดกับหอพระแก้วแหลกละเอียดไม่มีชิ้นดีกลับปรากฏว่าหล่นลงไปตั้งอยู่ในช่องว่างข้างซอกหอพระแก้วอย่างไม่น่าเป็นไปได้เลยพระธาตุพนมนี่ตามตำนานสร้างมาตั้งแต่พศออ .8 พร้อมกันกับที่สร้างพระธาตุเชิงชุมที่สกลนครการสร้างในสมัยนั้น เป็นยุคสมัยอาณาจักรสีโคตบุญเจริญรุ่งเรืองมากพระยาสีโคตบุญเป็นประธานฝ่ายคารวะมีพระอรหันต์ทั้งห้าซึ่งมีพระมหากระสปะเทระเจ้าเป็นประธานฝ่ายสง์ต่อมาในปีพศ500พระยาสุมิตรธรรมวงศาร์และพระอรหันต์อีกห้าองค์ได้สร้างต่อเติมขึ้นถึงชั้นที่สามครั้นต่อมาในปีพศ2157เจ้าพระยานครหลวง ได้พิชิตราชธานีสีโคตบูรณ์สำเร็จก็สร้างกำแพงแก้วชั้นสองขึ้นอีกเป็นการบูรณะครั้งที่สองต่อมาเมื่อปี2233สท่านพระราชครูหลวงโพลสเมเกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระครูขี้หอมเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงคุณวิเศษแห่งนครจำปาสักประเทศลาวได้เป็นประธานซ่อมแซมตั้งแต่ชั้นที่สองถึงยอดมีความสูงสดเมตร และหุ้มยอดพระาธาตุด้วยเหล็กไหลหรือว่าเหล็กเปียกต่อมาจนกระทั่งปี2482รัฐบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลชุดจอมพลปพิบูลสงครามได้ให้กรมศิลปากรซึ่งมีหลวงวิจิตวรวาทการเป็นหัวหน้าเสริมสร้างยอดพระาธาตุตั้งแต่ชั้นที่สามขึ้นไปแล้วก็ต่อยอดใหม่ให้สูงขึ้นอีก10เมตร เสร็จแล้วเมื่อปี2497ก็ทำฉัดใหม่ด้วยทองคำหนัก8กิโลกรัมการโค่นล้มพังทลายขององค์พระาธาตุพนมที่บรรจุพระอุรังคธาตุคือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าครั้งนี้จากการสำรวจของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายแล้วปรากฏว่าเป็นการพังทลายเฉพาะอิดปูนที่สร้างขึ้นเป็นองค์พระมหาเจดียด์เท่านั้นส่วนที่เป็นอุโมงค์อยู่ใต้ดินซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้น ยังอยู่ในสภาพมั่นคงสมบูรณ์ทุกประการพระธาตุสมัยก่อนนี้เขาเอาฝังไว้ใต้ดินนะครับเขาไม่ได้เอาขึ้นไว้บนยอด อ, อย่างเช่นที่บางท่านเข้าใจในช่วโมงแรกๆที่องค์พระธาตุโค่นล้มลงมาใหม่ๆนั้นสามารถมองเห็นตัวอุโมงค์ที่บรรจุพระธาตุได้ชัดเจนแต่พอเวลาผ่านไปอุโมงค์ก็ค่อยๆไหลเลื่อนสุดลงไปใต้พื้นดินทุกทีทุกทีน่าประหลาด แล้วในเวลาเดียวกันดินข้างบนก็ไหลายพังพผู ล, ลงไปกรบอุโมงค์จนกระทั่งปูนเต็มไม่สามารถจะมองเห็นอุโมงค์ได้อีกต่อไปจากการสำรวจภายในกองซากอิดปูนได้พบพระพุทธรูปทองคําล้ําค่า70องค์มีขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือพบพระพุทธรูปสร้างจากดินทรายสวยงามหลายองค์แล้วก็คาดว่าหากได้ทําการรื้อค้นเอาอิดปูนออกไปจนหมดแล้ว อาจจะพบพระพุทธรูปทองคำนาคเงินแล้วก็สิ่งของมีค่าอีกมากมายตอนนั้นอธิบดีกรมศิลปากรนาวาเอกสมภพพิรมได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนมีใจความเกี่ยวกับกรณีพระธาตุพระพนมโค่นล้มครั้งนี้ว่าทางกรมศิลปากรได้รับรายงานการสำรวจสภาพความเก่าชาราชำรุดสุดโทมของพระาธาตุพระนมจากนายกลูลเยผู้เชี่ยวชาญของฝรั่งเศสว่า ได้พบรอยชำรุดแล้วก็สภาพพื้นดินไม่มั่นคงพอควรจะได้รีบบูรณะปฏิสังขรณ์โดยเร็วในกริเยรรายงานครั้งนี้เมื่อวันที่7เมษายน2518คือในปีเดียวกันแล้วหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศสได้เคยลงบทความก่อนหน้านั้นปีหนึ่งแล้วว่าพระาธาตุพนมเนี่ยสุดสมมากน่ากลัวอันตรายจะเกิดขึ้นขอให้ทางกรมศิลปากรไทยรีบดาเนินการซ่อมแซมด่วน ดังนั้นทางกรมศิลปากรยังได้ทําหนังสือถึงสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความมั่นคงของพระาธาตุพนมแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบแต่อย่างใดทางกรมศิลปากรยอมรับว่านับตั้งแต่หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสเสนอข่าวกระตุ้นเตือนให้รีบซ่อมแซมพระาธาตุพนมแล้วก็ทางนายกุลเย่ได้สํารวจพบต่อมาว่าองค์พระาธาตุชารุดทรุดโทรมน่ากลัวจะพังทลายลงมา ทางกรมศิลปากรก็ไม่ได้ทํารายงานของบประมาณเพื่อทําการบูรณะเลยเพราะนิ่งนอนใจด้วยไม่ได้คาดคิดว่าองค์พระาธาตุพนมจะพังทลายลงมารวดเร็วถึงเพียงนี้การถล่มทลายขององค์พระาธาตุพนมในครั้งนั้นนําความเศร้าสลดใจอย่างใหญ่หลวงแก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทยและประเทศลาวทุกคนเสมือนหนึ่งการเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปรากฏว่าประชาชนจากทั่วประเทศได้หลั่งไหลไปดูซากปรักหักพังขององค์พระธาตุพนมอย่างมืดว้ามัวดินทุกวันวันละจํานวนเรือนพันเรือนหมื่นคนท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายวิปริตเยือกเย็นอยู่ตลอดเวลาเสียงผู้คนร้องไห้เศร้าโศกสลดใจอาลัยองค์พระธาตุดังระงมเป็นที่สลดสังเวชยิ่งนักด้วยว่าพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่และมีอายุไ ข, ขถึงสองพันห้าร้อยกว่าปี ประชาชนชาวอีสานและฝั่งประเทศลาวมีความเคารพบูชาเลื่อมใสศรัทธาประสาทะอย่างดื่มดำจริงใจมาตั้งแต่ครั้งโบราณการอย่างยากที่จะหามาหาเจดีย์องค์ใดเสมอเหมือนในภูมิภาคแถบนี้ท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนโมลีจเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุพนมวรวิหารได้เปิดเผยว่าเมื่อต้นเดือนสิงหาคมปี2518ได้ตรวจพบรอยร้าวที่เหนือฐานองค์พระาธาตุ ด้วยความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งก็ทำหนังสือรายงานให้กรมศิลปากรทราบแต่ทางกรมศิลปากรยังไม่ได้จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเลยก็พอดีอีกสิบวันต่อมาองค์พระทาตก็ถลม่มลงมาอย่างย่อยยับไม่มีชินดีท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนโมลีได้เปิดเผยต่อไปว่าเมื่อกลางเดือนท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนโมลีท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม2518 คือปีที่พระธาตุพนมย่ถลม่มพญานาคราชเจ้าเจ็ดองที่เป็นเทพพยาดาเฝ้ารักษาองค์พระธาตุพนมได้มาเข้าพิธีประทับทรงแล้วก็บอกว่าองค์พระธาตุพนมมีอายุยาวนานมาได้ครึ่งพระาศาสนาของพระโคดมแล้วสบงจีบอลที่นุ่งอยู่เก่าวขาดคร่ำคร่าเต็มทีญาติโยมควรจะได้ผลัดเปลี่ยนให้เสธีครับสิ่งที่เทพยดาบอกนะั้นมีความหมายอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนโมลีท่านเล่าบอกว่าอาตมารู้ล่วงหน้าว่าพระาธาตุจะต้องทุดแน่แต่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นพังทลายอย่างใหญ่หลวงพินาศสิ้นแบบนี้คิดว่าอย่างมากก็คงแค่สุดเอียงคงไม่ถึงกับโค่นล้มแน่นอนเพราะว่าฐานที่สร้างสร้างอยู่บนยอดภูกำพระหรือวโนวนกำพระซึ่งเป็นหินดานหนาหลายชั้นแข็งแรงยากที่จะสุดถล่มได้ไง่าย แต่แล้วก็โค่นล้มลงมาไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่ก็เป็นไปแล้วพญานาคได้กล่าวเตือนแล้วแต่ที่พญานาคทั้งเจ็ดไม่ช่วยพระธาตุไว้ไม่ให้โค่นล้มนั้นอาตมาเข้าใจว่าเป็นกฎแห่งกรรมกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงอันนี้จังเป็นของไม่เที่ยงถึงคราวที่องค์พระธาตุต้องมีอันเป็นไปก็อย่างที่พญานาคท่านกล่าวว่าสบงจีวรที่นุ่งห่มอยู่เก่าขาดคล่ำค่าเต็มทีคือพญานาคท่านคงอยากจะให้สร้างองค์พระธาตุขึ้นเสียใหม่ เพื่อให้มั่นคงแข็งแรงเพราะว่ามีอายุเก่าแก่มาถึงสองพันห้าร้อปีกึ่งพุทธกาลแล้วเหลืออีกกึ่งหนึ่งก็จะครบห้าพันปีตามอายุไขพุทธกาลก็สมควรที่จะสร้างเสีย่ให้มั่นคงยืนนานไปถึงสิ้นพุทธกาลตอนที่พระธาตุพนมจะโค่นล้มพังทลายลงมานี้พระภิกษุสงฆ์ในวัดได้ฝันแปลกๆเช่นฝันว่าพระธาตุพนมถูกไฟเผาบ้างยอดฉัดหักบ้างโค่นล้มลงมาบ้าง พระมหาทวีธรรมตินโนฝันว่าเห็นเปลวไฟลุกโฉดช่วงแดงฉานเผาองค์พระาธาตุน่าสะพึงกลัวเป็นลำสูงท่วมฟ้าพระมหาวิวัวัฒนวาทีท่านฝันไปว่าเห็นยอดฉัตรพระาธาตุหักลงมาถือว่าเป็นความฝันที่ประหลาดอยู่ปรากฏการณ์นหน้ามาศจันอีกอย่างหนึ่งก็คือขณะที่องค์พระาธาตุพนมโค่นล้มพังทลายลงมานี้มีเสียงไม่ค่อยจะดังนักแทบจะไม่ได้ยินเลย เพราะขณะนั้นพายุฝนกำลังโหมกระนำคงมีอาการผิดปกติก็เฉพาะกุฏิทุกหลังในวัดไหวสะเทือนอย่างแรงคล้ายแผ่นดินไหวเท่านั้นท่านเจ้าคุณท่านเล่าว่าเหตุที่จะมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องร่างทรงพญานาคนี่ท่านเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณตีสองเดือนส1บอดขึ้นห้าค่ำปี2ห้าอคืนนั้นมีฝนตกหนักครึ่งชั่วโมงแล้วก็พรมมาอีก ยี่สิบวินาทีขณะที่ฝนตกฟ้าร้องดังสนั่นแผ่นดินสะเทือนในหวดชาวตลาดทาดพนมได้ออกมารองน้ำฝนที่หน้าร้านของตัวเห็นแสงประหลาดเป็นลำงามโตเท่าลำต้นตาลขนาดใหญ่มีสีต่างๆกันถึงเจ็ดสีพุ่งแหวกอากาศแข่งกันเป็นลำยาวหลายเส้นมาจากทางด้านทิศเหนือมองเห็นแต่ไกลแกก็ร้องเอะอะขึ้นเรียกภรยามาดู แสงสีงามประหลาดหน้าสะบึงกลัวขนหัวลุกนั้นพอมาถึงตรงหน้าซุ้มวัดพระาธาตุพนมก็ค่อยๆลอยหายเข้าไปในวัดทีละดวงจนหมดสิน้นรุ่งเช้าก็ได้เล่าให้ชาวบ้านร้านตลาดฟังมีคนสนใจน้อยมากต่างเข้าใจไปว่านายหวดและภระยาตาฟาดไปเองต่อมาอีกสองวันคือขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเดียวกันท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนโมลีได้ให้สามเณรทรัพย์ลูกศิษย์ ผู้มีฌานสมาบัติแก่กล้านั่งตรวจเหตุการณ์ดูทางในว่าแสงประหลาดเจ็ดสีโตเท่าลำตาลที่ไหนไกลหัวเห็นหายเข้ามาในวัดเนี้ยมีความจริงเท็จแค่ไหน ส, สัมมาณีทรัพ์เข้าฌานสมาธิอยู่ครู่หนึ่งก็เข้าไปพบพยานาขราชทั้งเจ็ดเรียงกันเป็นแถวอยู่บริเวณลานพระาธาตุลำตัวโตใหญ่เท่าต้นตาลมีงอนแดงหน้าสะพึงกลัวสมเณทรัพยืนงงอยู่ด้วยความประหลาดใจ เดี๋ยวเดียวพญานาคราชทั้งเจ็ดก็กลับกลายเป็นมานพเจ็ดนายทรงเครื่องขาวเรียงกันเป็นแถวอยู่ที่เดิมจะว่าก้มก็ไม่ใช่ยืนก็ไม่ใช่อากับกิริยาอยู่ระหว่างยืนกับก้มสัมมาเนศสนเทศใจงงจนพูดอะไรไม่ออกเสรยจแล้วมานพชุดขาวผู้เป็นหัวหน้าก็ร้องถามว่าพ่อเนนมีธุระอะไรอยากกลัวจงบอกมาสัมเนศก็งงอยู่ไม่ได้ตอบว่าอะไรตั้งใจจะกราบกุฏิหัวหน้าพญานาคทั้งเจ็ดก็พูดขึ้นอีกว่า พ่อเนรจะกลับแล้วเหรอกเดี๋ยวขอไปด้วยนะจะไปสนทนากับท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสพอขาดคำก็เข้าประทับทรงในร่างสา ม, มเณรทรัพทันทีด้วยอํานาจจิตที่เหนือกว่าสา ม, มเณรทรัพก็หมดความรู้สึกวูบไปทันทีเสร็จแล้วก็เดินมายกมือไหว้ท่านเจ้าคุณแล้วก็พูดบอกว่าสวัสดีท่านเจ้าคุณม่อมฉันมาสองคืนแล้วไม่รู้เหรอท่านเจ้าคุณรู้สึกแปลกใจก็สงสัยก็ถามว่าเป็นใคร มาจากไหนเสียงที่ประทับทรงเนรก็บอกว่าพวกมอมชั้นเป็นพญานาคทั้งเจ็ดมาจากสะานุดาดในเทือกเขาหิมาลายัยมีนามตามลําดับเป็นมงคลตามอริยทรัพย์อันประเสรศิฐคือหนึ่งชื่อพญาสัตโทนาคราชเจ้าเป็นประธานาสองพญาศีลวุฒโทนาโคสามพญาฮิริวุฒินาโคสี่พญาโอตับ ป, ปะวุฒินาโคและห้าพญาพาหุสัจยาวุฒินาโค หพญาจาคาอุทินาโคเจพญาปัญญาเตชะอุทินาโคมอมชั้นทั้ง7็ได้รับบัญชาจากพระอินทราธิราชเจ้าให้มารักษาพระอุรังคธาตุที่นี่เพราะว่าพวกเทพยายดาที่รักษาองค์พระธาตุอยู่ก่อนนิสัยไม่ดีอาศัยแต่กินศิลบนเส้นสวงของชาวบ้านพวกม่อมชั้นได้ขับไล่เทพยายดาชั่วร้ายเหล่านั้นให้หนีไปหมดแล้วพวกม่อมชั้นไม่ต้องการอมิสินจ้างรางวัลเครื่องบวงสรวงอะไรทั้งนั้น ขอแต่น้ำบูชาถ้วยเดียวก็พอใจแล้วจะอยู่รักษาองค์พระาธาตุไปจนกว่าจะหมดสิ้นาศาสนาของพระสมณะโคดมท่านเจ้าคุณก็ซักถามเรื่องราวต่างๆอีกหลายเรื่องแต่ก็ยังไม่ปรงใจเชื่ออย่างใดต่อมาพญานาคก็เข้าประทับทรงสัมเาเนรัพย์เรื่อยๆเป็นต้นว่าแสดงธรรมสั่งสอนเมื่อทางวัดมีเรื่องเดือดร้อนก็บอกได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำแล้วก็แนะนําหาทางแก้ไขท่านเจ้าคุณเริ่มเอาใจใส่อยากจะพิสูจน์และเห็นแจ้ง ก็ให้พระวิปัสนาธุระในวัดนั่งทางในตรวจสอบด้วยตายานขณะที่พญานาคเข้าประทับรงสามเณรทรัพย์ครั้นแล้วก็ได้พบมานพรูปงามแต่งองค์ทรงเครื่องคล้ายเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์จำนวนเจ็ดองปรากฏร่างทิพย์มีรัศมีกายสวยงามต่างๆกันสีน้ำเงินสีเขียวอ่อนสีเหลืองสีชมพูองค์ที่กาลังเข้าประทับสงสามเณรทรัพย์อยู่เวลานั้นมีรัศมีกายสีน้าเงิน ยืนประทับทรงอยู่ข้างหลังสัมเนตรทรัพเป็นสง่าไม่ได้แทรกซ้อนอยู่ในร่างกายของสัมมเนตรแต่อย่างใดท่านเจ้าคุณเคยถามสัมมเนตรทรัพคือถามพญานาคทั้งเจดว่าพระองค์มาเฝ้ารักษาองค์พระธาตุนี้เฝ้าอย่างไรเขาตอบว่าม่อมชั้นพญาสัตโธนาคาชเจา้ารักษาองค์พระธาตุด้านทิศตะวันออกเสียงเหนือพญาศีลวุฒนาโคและพญาฮิริวุฒินาโค ร, รักษาอยู่ด้านทิศตะวันออกเสียงใต้ พยาโอต ป, ปะอุธินาโคและพยาพาหุสัจจะอุตินาโก ร, รักษาด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้พยาชาข้อุตินาโคและพยาปัญญาเตชะอุตินาโก ร, รักษาด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือท่านเจ้าคุณถามอีกว่าแล้วพระองค์ทรงกินอยู่หลับนอนอย่างไรเขาตอบว่าพวกหม่อมฉันมีทิพยีมาณอยู่ใต้องค์พระธาตุนี่เอง จะเรียกหรือว่าอยู่ใต้บาดาลก็ได้เป็นทิพยวิมานที่สวยงามมากมีสระน้ํามีสวนดอกไม้มีภูเขาเงินภูเขาทองว่างๆนิมนต์ท่านเจ้าคุณลงไปชมดูก็ได้ผู้ฝึกทางสมถะวิปัสนาได้สมาธิแก่กล้าดับพระลระได้แม้เพียงห้านาทีก็สามารถจะเห็นพวกหม่อมชั้นได้ทางยานท่านเจ้าคุณก็ดับพระลระได้ไม่ใช่เหรอท่านเจ้าคุณถามต่อไปว่าพระองค์จะให้หม่อมชั้นเข้าใจว่าที่พระาธาตพนมนี้เป็นสวรรค์ชั้น จะตุมหาราชิกาอย่างนั้นหรือท่านก็ตอบว่าถูกต้องแล้วเมื่อสร้างองค์พระาธาตุปนมเสร็จพญาทั้งห้านครผู้สร้างได้กลับบ้านกลับเมืองและพระมหาตัรสปะเจ้าพร้อมด้วยพระอาหารหันต์ทั้งห้ารอองค์ก็ได้เสด็จกลับชมพูทวีปเสร็จแล้วพระอินทราธิราชเจ้าได้ทรงแต่งตั้งให้เทวดามีชื่อเป็นหัวหน้าพากันอยู่ปกปักรักษาองค์พระาธาตุพร้อมด้วยบริวารจํานวนสี่พันหกองและ มาเหสักหลักเมืองอีกสามองค์เมื่อที่ไหนมีเทพปยายดามาสิงสถิตยอยู่ที่นั่นจะต้องมีสวรรค์วิมานสําหรับให้เทพป ย, ยดาอยู่เป็นธรรมดาเมื่อพวกหมอมชั้นมาถึงที่นี่เพื่อรับหน้าที่แทนได้ขับไล่เทพป ย, ยดาเหล่านี้ให้หนีไปหมดแล้วสภาวะทิพย์หรือว่าปราสาทวิมานสวรรค์ชั้นพว่าของพวกเทพป ย, ยดาก็สลายไปโดยอัตโนมัติคือสภาวะทิพย์ของเทวดาทั้งหลายนี้ย่อมเกิดขึ้นโดยบุญฤทธิ์ไม่ใช่ว่ามีขึ้นอยู่ก่อนแล้ว อย่างพวกหม่อมฉันมาถึงที่นี่ในสภาวะทิพด้วยบุญยริศก็เนรมิตรทิพวิมานใต้บาดาลอยู่ภายใต้องค์พระทาตให้เลยทีเดียวพญานาคราชทรงให้อถาธิบายผ่านร่างทรงท่าทางท่านเจ้าคุณก็พอใจมากก็ถามอีกว่าพระองค์เป็นพญานาคราชอยู่ในบาดาลหรือว่าใต้ดินนี่จะหายใจได้ยังไงท่านก็บอกว่าทารกในครันมารดาหายใจได้ตัวด้วงในไม้หายใจได้ไส้เดือนในดินหายใจได้อย่างไร หม่อมฉันก็หายใจได้อย่างนั้นดุจเดียวกันท่านเจ้าคุณก็หัวเราะแล้วก็ถามต่อไปว่าสัมมาเนนทรัพผู้มีศีลบริสุทธิ์มีฌานสมาธิกแก่กล้าขณะเข้าฌานตรวจสอบในวันแรกได้พบพระองค์ที่ลานพระธาตุนั้นทำไมพระองค์ถึงได้เข้าประทัพทรงสัมมาเนรผู้กำลังอยู่ในองค์ฌานได้หม่อมฉันสงสัยพญา น, นาคราชก็ตอบว่าผู้มียานแก่กล้ามีศีลบริสุทธิ์อย่างสัมมาเนร น, น้อยรูปนี้วิ ญ, ญญาณผีปีศาจเข้าสิงเข้าทรงไม่ได้หรอก แต่สําหรับวิญญาณชั้นสูงคือเทพพรมแล้วแล้วก็สามารถจะเข้าประทับทรงได้ด้วยเหตุผลสองประการคือหนึ่งเข้าเพราะมีกรรมเก่าพัวพันมาก่อนในอดีตชาติสองเข้าเพื่อเจตนาจะมาสร้างกุศลผลบุญทําความดีไว้ในโลกมนุษย์หม่อมชั้นเข้าประทับทสงสามเณรน้อยรูปนี้ก็ด้วยเหตุประการหลังคือต้องการติดต่อกับท่านเจ้าคุณเพื่อแจ้งประสงค์ให้ทราบว่าพวกหม่อมชั้นทั้งเจ็ดนี้นอกจากจะมีหน้าที่รักษาองค์พระทาตแล้ว ยังมีจิตเมตตาอยากจะช่วยบำบัดทุกข์ทั้งกายทั้งใจให้กับมนุษย์ทุกเพศทุกวัยไม่เลือกชาติไม่เลือกศาสนาท่านเจ้าคุณก็ถามอีกว่าแล้วพระองค์จะให้หม่อมชั้นช่วยทำอะไรบ้างครับแล้วพญานาคราชทั้งเจ็ดนี้ต้องการจะทำอะไรที่พระทาตพนมคราวนั้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับพญานาคราชในร่างทรงของสัมมาเนทรัพย์ ตอบท่านเจ้าคุณบอกว่าท่านเจ้าคุณจะต้องเป็นองค์ประธานในการประทับทรงทุกครั้งไปและผู้ที่จะเป็นร่างทรงคือสามเณรหรือว่าแม่จีผู้มีศีลบริสุทธิ์เท่านั้นคารวะไม่เอาประชาชนที่มาให้บำบัดทุก์ทั้งกายทั้งใจนี้จะต้องลงรายชื่อไว้ให้เป็นหลักฐานเหมือนกับทะเบียนประวัติคนไข้ตามโรงพยาบาล แล้วจากนั้นจึงนำคนมีทุกข์ที่ได้ลงชื่อเสียงเรียงนามแล้วมาให้หม่อมชันตรวจอาการดูว่าเขาเจ็บไข้เป็นอะไรกันแน่ถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บทางกายก็จะได้สั่งยาให้กินเช่นยาไทยยาจีนยาฝรั่งหรือว่าสมุนไพรที่มีอยู่ตามเรือกสวนไรนาแต่ถ้าเป็นประเภทโรคจิตฝันเฟือนมึนสมกระทือเป็นป่วงเป็นบ้ามึนงงหลงไหลหวาดกลัวร้องไห้หัวเราะใจคองหดหดจิตไม่เที่ยง ฝันร้ายนอนสะดุ้งผวาคิดมากปวดหัวมัวตาแล้วเป็นนานหรือว่าต้องคุณผีต้องคุณคนโดนกระทาผีเจ้าเข้าสิงเป็นโรคลมต่างๆไขชักหนาวร้อนเจ็บท้องเจ็บหน้าอกง่อยเปลี่ยเสียขาตามืดบอดปวดหลังปวดเอวหรือว่าสัตว์มีพิษกัดต่อยอะไรเหล่านี้ก็จะต้องรักษากันด้วยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จิตอานาจของเทวฤต ท่านเจ้าคุณก็บอกว่าโอสาธุเป็นพระมหากรุณาของพระองค์เละเกินที่มีจิตคิดเมตตาต่อมนุษย์ผู้มีทุกข์ทั้งหลายในโลกนี้หม่อมฉันก็พร้อมแล้วที่จะปฏิบัติตามประสงค์ท่านเจ้าคุณบอกว่าเกิดความเชื่อมั่นแน่แล้วว่าวิญญาณที่ประทับทรงสั ม, มเนรซับนี้คือปญานหนาขราชเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิบา ร, รมีในทางสัมมาทิฏฐิเป็นเทพบิ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์รับบัญชามาจากพระอินทราธิราช ก็ถามว่าแล้วพระองค์ต้องการจะให้มีเครื่องบวงสวงบูชาอะไรบ้างหรือเปล่าพญา น, นาคตอบว่าเครื่องบวงสวงบูชาไม่เอาขายหน้าชาวต่างชาติต่างศาสนาเขาทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเศร้าหมองหม่อมชั้นขอน้ำสักถ้วยก็พอแล้วโดวยว่าน้ำนี้เป็นสั ญ, ญลักษณ์สภาวะของพวกนาคราชคือต้องอาศัยน้าเป็นสื่อปัจจัยถ้าใครผู้ใดมีจิตระลึกถึงต้องการจะติดต่อกับหม่อมชั้น ก็ขอให้ตั้งถ้วยน้ำขึ้นแล้วก็ลอยดอกมะลิหอมจุดธูปเจ็ดดอกกล่าวอัญเชิญก็จะสามารถส่งกระแสจิตติดต่อกันได้ทันทีอันนี้พญาสัตว์โทนาคาราบเป็นผู้กล่าวนี่คือต้นเหตุความเป็นมาแรกเริ่มเดิมทีที่จัดให้มีการประทับทรงพญานาคทั้งเจ็ดองค์ขึ้นที่วัดพระธาตุพนมตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาท่านเจ้าคุณระเทศรัตนโมลีท่านเล่าบอกว่ามหาเจดีศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ อายุกว่า 2,500 ปีองนี้เป็นที่รวมชีวิตจิตใจของชาวภาคอีสานและชาวฝั่งลาวทั่วประเทศเมื่อมีงานประจำปีจะมีประชาชนสองฝ่าฝังโขงมานมัส ก, การเป็นแสนแสนมาขอน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของพาญนานาคทั้งเจไปกินไปทารักษาโรคภัยไข้เจ็บจนหายเป็นปกติเป็นที่เลื่องลือในความมหัศจรรย์บ้างก็มาขออยู่ยาบ้างก็มาขออาบน้ำมนต์ บ้างก็มาขอบูชาพระเครื่องชุดที่พญา น, นาคทั้งเจ็ดปลุกเสกการทําน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของพญา น, นาคคาราชเจ้านี้ก็แปลกอยู่ท่านสั่ ง, งให้อัตมาเอาน้ําใสสะอาดใสาหายเอาผ้าขาวสะอาดหุ้มปากหายให้นั่นแล้วยกก็ไปตั้งไว้ติดโคนฐานองค์พระาธาตุภายในกําแพงแก้วเก็บไว้ที่นั่นอย่างน้อยหนึ่งคืนเพื่อให้ท่านเสกคาถาเทวฤทธิ์วันรุ่งขึ้นก็เอาออกมาถ่ายใส่หม้อน้ำมนต์ของอัตมาที่กุฏิ เมื่อใครเป็นอะไรมาก็ขอให้มาขอก็ให้เขาไปะท่านเจคุณเล่าว่าเวลานั้นวัดพระธาตุพนมเกือบจะกลายเป็นโรงพยาบาลไปโดยปริยายวันๆมีคนมาให้รักษาโรคภยัยไข้เจ็บไม่ได้ขาดไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรคุณดีหลกที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านคุ้นเคยกับท่านเจ้าคุณสมัยเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นมีผู้ชายวัยกลางคนแต่งกายเรียบร้อยโผล่เข้ามากราบเท้าท่านเจคุณประหลกประหลก ท่านเจ้าคุณก็ถามว่ามีอะไรระโยมผู้ชายคนนั้นก็ตอบหน้าเสียวเซียวในตาเหม่อลอยจิตไม่เที่ยงครับท่านพ่อไม่ค่อยสบายใจครับกลุ้มใจคิดพุ้งซ่านนอนไม่หลับวิตกเป็นทุกข์กลัวโน่นกลัวนี่ไม่มีเหตุผลบางทีอยากจะร้องออกมาดังๆหรือไม่ก็วิ่งเตลิดเปิดเปิงไปตามเรื่องผมกลัวตัวเองจะเป็นบ้าครับท่านเจ้าคุณก็หัวเราะ ท่านก็ บ, บอกเออไอจิตคนเรามันก็นี้่โยมเอ้ยแบบนี้ะเราไม่อยากจะคิดมันก็คิดจิตมันคอยแสหาอารมณ์เกาะเกี่ยวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยมันสุกซนมาอยู่นิ่งเหมือนกับเด็กๆนะออย่างนี้ต้องตีต้องปราบเพืให้อยู่หมัดไม่งั้นมันไม่เข็ดอะเออไปกราบพระาธาตุมาแล้วใช่ไหมละ่ะไปบอกแล้วใช่ไหมเออดีแล้ไม่เปไ็นไรเดี๋ยวก็หายเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเอาน้ำมนต์ไปกินขวดเดี๋ยวก็หาย เดี๋ยวลงชื่อเสียงเรียงนามไว้ในสมุดสัหน่อยตามระเบียบนะโยมนะชื่ อ, อไรละ่ะผู้ชายคนนั้นก็บอกชื่อนามสกุลบ้านช่องห้องหอท่านเจ้าคุณก็จดลงไว้ในสมุดเล่มใหญ่อเหมือนกับทะเบียนประวัติของโรงพยาบาลเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าน้ำมนต์สำหรับกินนไปขอที่กุฏิจเจ้าอาวาสนะแล้วก็ไปอาบน้ำมนข้างกุฏิแม่ชีนั่ให้มันเย็นกายเย็นใจพอรับน้ำมนตกลับไปถึงบ้านแล้วก็ให้แต่งขันห้าขันแปด เอาขวดน้ำมนต์ขึ้นหิ่งไว้บูชาว่านาโมนะยึดมั่นในพระพุทธคุณพระธาตุพนมนาคานีา่ก่อนจะใช้น้ำมนต์ให้อธิษฐานทุกคราวไปน้ำมนต์ยังไม่หมดขวดหายแน่รับร้องยมเขาก้มกราบมีสีหน้าแช่มชื่น เ, เห็นชัดเจนแล้วก็คลานถอยไปเงียบๆคุณดีหลกก็มีความรู้สึกว่ า, าคำพูดของท่านเจ้าคุณนี่จะทาให้โรคจิตไม่เที่ยงของเขาหายไปแล้วตั้งครึง่ง พออาบน้ำมนอันเย็นช่ำแล้วแถมกินเข้าไปอีกอึกสองอึกทีนี่หายเด็ดขาดไม่ต้องสงสัยนะท่านเจ้าคุณเรียกสิทธิวัดให้ไปเอาอะไรบางอย่างจากกุฏิใหญ่ของท่านมาสิ่งที่ลูกศิษย์วัดยกมา ก, ก็คือขวดโหลใบใหญ่บรรจุก้อนสีขาวๆกลมๆ ม, มากมายมองผัดผาดคล้ายๆ ล, ลูกกวาดที่ทำด้วยน้ําตาลทรายขาวไอแบบที่เด็กๆชอบซื้อกินกันคุณนี่หลอกคิดว่าท่านเจ้าคุณจะเลี้ยงลูกกวาดนะ แต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเพราะท่านบอกว่ามันคือก้อนนิ้วทั้งนั้นเป็นก้อนนิ้วที่สัมมาเนศทรัพใช้ปากดูดหรือว่าสูบออกมาจากท้องคนที่เป็นนิว้วขณะที่พยานาคราชเจ้าเข้าประทับทรงเป็นเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์มากใครๆเห็นแล้วต่างก็ตะลึงแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองที่สัมมาเนศทรัพสามารถสูบก้อนนิ้วออกมาจากท้องคนไข้ได้บางคนที่หัวสมัยใหม่ไม่เชื่อในเรื่องอํานาจพุทธคุณหรือว่าอํานาจเทวฤทธ ก็หาว่าสัมมเนียทรัพย์แสดงกนแต่ก็เป็นที่น่าประหลาดผู้ที่เป็นนิ้วหายทุกรายไปคุณดิหลอกจะแจงเทก้อนนิ้วออกจากขวดโหลจนหมดเปียงเอามือจับลูกครลำดูอย่างพินิษฐิเคราะห์ก้อนแล้วก้อนเล่าแต่ละก้อนน่ะแข็งลักษณะหินปูนใหญ่เล็กต่างขนาดคละกันไปบางก้อ น, กนมีเลือดแห้งๆติดกรังอยู่เหมือนก้อนนิ้วที่เคยเห็นอยู่ตามขวดโหลของโรงพยาบาลหลายแห่งที่เขาตั้งโชว์ไว้ให้ประชาชนชม กอนนิ้วทั้งหมดนี้ออกจากท้องคนไข้ประมาณ200้อยขวารายยังมีอยู่ที่กุฏิใหญ่อีกหลายขวดโหลรวมแล้วเป็นจำนวนหลายพันรายที่ถูกสัมเณรทรัพย์ดูดนิ้วออกจากท้องรักษา ห, หายด้วยอำนาจเทวฤตอันลึกลับมาสจั์ที่ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์และเห็นได้แจ่มแจ้งคุณดิล ก, ก็ถามว่าสัมเณรทรัย์สูบนิ้วออกจากท้องคนไข้ด้วยวิธีการยังไงครับ ท่านเจ้าคุณก็อธิบายบอกว่าขั้นแรกจะต้องทำพิธีอัญเชิญพญานาคราชเจ้าทั้งเจ็ดมาชุมนุมเสียก่อนต่อจากนั้นสามเณรทรัพย์ก็จะเข้าสมาธิจิตติด ต, ต่อเข้าเฝ้าพญานาคทั้งเจ็ดตอนนี้เองพญานาคองใดองค์หนึ่งจะเข้าทับทรงสามเณรทรัพย์ท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นประธานในการทับทรงนี้จะให้คนไข้ที่เป็นนิ้วนั่งหันหน้าเข้าหาแท่นพุทธบูชาห่างจากสามเณรประมาณหนึ่งวา โดยมีผู้เชี่ยวชาญวิปัสนาธุระอีกรูปหนึ่งนั่งอยู่ห่างๆหลับตาทำสมาธิจิตคอยตรวจสอบเหตุการณ์เมื่อพญา น, นาคเข้าทับสงสามเนรซับแล้วพญา น, นาคจะบอกให้คนไข้ที่เป็นนิ่วนั่งตามสบายเพื่อให้ท่านตรวจหาก้อนนิ่วในท้องและโรคภัยอื่นๆที่อาจจะมีแอบแฝงอยู่ใช้เวลาตรวจประมาณหนึ่งนาทีก็จะสามารถบอกได้ว่าในท้องในมีนิ้วกี่ก้อนจากนั้นก็ให้คนไข้อ้าปากขึ้น ต่อมาครู่เดียวพญายนาคก็จะดูดออกก้อนนิ้วในท้องออกมาแล้วก็พ่นออกจากปากคือปากของสา ม, มนเณรทรัพย์โดยก้อนนิ้วนี้จะมาเข้าปากสา ม, มนเณรทรัพย์ที่ประทับสงก่อนแล้วก็จึงจะพ่นออกมาอีกทีหนึง่งครับเรื่องของพระธาตุพนมยังไม่จบเร้นะครับเป็นแต่เพียงการเริ่มต้นเท่านั้นเองครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับนัตถิกมังสมะพลัง แรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รบนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาเล่าถึงเรื่องของพระธาตุพนมกันต่อท่านผู้ฟังในตำนานเก่าเล่าถึงปีพศสอง4 4มีพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานชาวเมืองอุบลคือพระครูศีทาวัดบุรพาพระอาจารย์หนูอ่า พระจันท์หนูนี่ต่อมาได้เป็นพระปัญญาวิสารเถระเจ้าอาวาสวัดประทุมกรุงเทพแล้วก็มีพระจันทร์เสากันตาสีโลพระจันทร์มั่นภูริทัตโตทั้งสี่รูปนี่เดินทุดงมาจำมันสาอยู่ที่ป่ารอบสะตับหังทองโบราณสานี้อยู่บริเวณนอกกำแพงวัดวัดทาานพนมทางด้านทิศตะวันตกเสียงใต้ ท่านก็เห็นองค์พระธาตุพนมในฐานะเป็นก้อนมรดกศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนที่ตกทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษครั่มค่าเศร้าหมองมากตามองค์พระธาตุมีต้นโพต้นไซโตขนาดเท่าแขนลงมาจับเกาะอยู่ตามซอกอิดซอกปูนทั่วไปไม่มีผู้ใดจะมีบุญญาพินิหารสามารถซ่อมแซมได้เพราะว่าผู้ใดริเริ่มจะทาขึ้นก็เกเจ็บป่วยอ่าก็โทษเทวดาอารัก์พระธาตุว่าไม่ให้ทา แม้ชั้นที่สุดรูปและแผ่นหินที่ตั้งอยู่ในที่ต่างๆ ต, ตามบริเวณพระธาตุก็พากันหวาดระแวงกลัวกันไปหมดไม่กล้าปีนป่ายเหยียบย่ำเลยเพราะปรากฏว่าผู้ที่ทำอย่างนั้นได้รับโทษทันตาเห็นต้องเสียเครื่องเส้นข้าวหวานเป็นพรีกรรมชาวบ้านชาววัดถือกันแบบนี้หมดก็เลยพากันบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ไม่กล้าแตะต้องอะไรแม้แต่วิหารใหญ่ วิหารใหญ่หลังนี้เล่ากันว่าเจ้าอนุบงเวียงจันปฏิสังขรไปอย่างสวยงามจนเล่ากันว่าผู้ใดเข้าไปในวิหารหลังนี้แล้วจะเหลืองเป็นสีทองทั้งตัวเลยอ่าเดี๋ยวนี้ก็เรียกหอพระแก้วมาบัดนี้พังทลายลงไปเป็นกองอิดกองปูนไปหมดเวลานั้นลานพระบรมาธาตุมียาคาเกิดตามซอกอิดซอกปูนแม้กระทั่งแผ่นหินที่ปูก็ผุพังรกเรือ แทบจะหาที่นั่งกราบไหว้ไม่ได้องค์พระาธาตุพนมและวัดก็เสื่อมโสมมากน่าใจหายนับตั้งแต่เจ้าราชครูโพนสเมเกหรือว่าพระอาหารหันต์พายส้อยสังคายกแขวงจำปาสักเมืองลาวมาบุรณะเมื่อปี2233แล้วก็ไม่มีใครมาบุรณะอีกเลยแล้วนับมาจนกระทั่งถึงบัดนั้นเวลานั้นเป็นเวลาถึง211ปีแล้ว พระทุดงชาวอุบลทั้งสี่รูปก็สันนิษฐานกันว่าอันโบราณวัตถุที่สำคัญในพระพุทธศาสนานี้เมื่อมนุษย์ขาดสมรรถภาพในการคุ้มครองรักษาแล้วเฉลยเทพเจ้าผู้มีห่วงความห่วงใยในพระศาสนาก็จะเข้าพิทักษ์เสียเองเมื่อผู้ใดไม่มีบุญวาสนาสมควรจะปฏิสังขรก็ห่วงเห็นไว้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่ามักจะมีอันตราย แก่ผู้ที่ขาดความคารวะเสมอพระทูดงทั้งสี่รูปก็เกิดความสลดใจอยากจะซ่อมแซมองค์พระาธาตุพนมแต่มาคิดคิดว่าอำนาจวาสนาของตนไม่เพียงพอจึงได้แนะนำมกคนายกชาวท่านพนมให้ลงไปอาราธนาเอาท่านพระครูวิโรธรัตนบนวัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลตอนนั้นท่านยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูอุดรพิทักษณะเดชขอให้ท่านขึ้นมา เป็นหัวหน้าพาซ่อมพระบรมธาตุซึ่งท่านพระครูก็ยินดีรับขึ้นมาตามความประสงค์ขณะที่พระครูวิโรจน์รัตนบนุได้พาชาวบ้านซ่อมแซมพระธาตุพนมอยู่นี้เกิดอุบัติขึ้นโดยมีผู้ประกาศตนว่าเป็นเจ้าผู้มีบุญคุมสมัครพรรคพวกตั้งมั่นอยู่ที่อำเภอตราการพืชผลจังหวัดวนประกาศว่าควายตู้ควายตู้ก็คือควายหนุ่มชะกันเนี่แหละ ควายตู้กับหมูนี่จะกลายเป็นยักษ์เงินทองจะกลายเป็นกรวดหินกรวด จ, จะกลายเป็นเงินทําให้ประชาชนผู้อ่อนการศึกษาขาดเหตุผลและเชื่อถือกันมากถึงขนาดหอบหินหอบกรวดไปให้เจ้าผีบุญนี่เสกเป่าแล้วก็หาบกลับคืนมาบ้านสักการะบูชารอวันที่จะให้เกิดเป็นเงินเป็นทองพวกนี้เรียกว่าผีบ้าผีบุญพากันกำเริบขึ้นจะยกเข้ายึดเมืองอุบล จนทางราชการจัดการปราบปรามด้วยกองทาหารชาวบ้านร้านตลาดทั้งหลายก็ไม่มั่นใจในค่าเงินของตัวเกรงจะกลายเป็นก้อนกรวดไปแล้วทีนี้ก็เลยนําเงินมาบริจาคสมทบซ่อมพระธาตุเพื่อหวังกุศลผลบุญเป็นจํานวนมากทําให้การปฏิสังขรณ์พระธาตุนี้สะดวกรวดเร็วขึ้นเมื่อซ่อมพระธาตุเสร็จแล้วก็ยังมีเงินเหลืออยู่ประมาณหนึ่งร้อยช่างอ่าเวลานั้น ท่านพระครูก็มอบให้พระยาพนมนักขรานุรักษ์เจ้าเมืองนครพนมนำไปเก็บรักษาไว้ส่วนท่านและพระคณาจารย์มั่นภูริทัตโตก็พากันเดินทางกลับอุบลครั้งการต่อมาเจ้าเมืองนครพนมซึ่งรับเงินฝากนี้ไว้เนี่ยประมาทปล่อยให้มีการเอาเงินวัดพระาธาตพนมจำนวนนี้ไปทําทุนหมุนกำไรกันเมื่อทางวัดของเงินคืนมาสร้างหอพระแก้วใหม่เงินขาดไปมาก ได้คืนมาสี่พันบาทเท่านั้นเองเป็นที่คกรหานินทาในหมู่ประชาชนมากครั้นอยู่มานการละวันหนึ่งเดือนหกปีพศ ส, สองพันส5 0รอห้าสิบฝนตกฟ้าขนองน่ากลัวฟ้าผ่าสนันวันไหวลงมาไม้จวนข้าหลวงนครพนมและอาคารบ้านเรือนทุกหลังลุกโชดช่วงไฟท่วมท้องฟ้าแดงฉานหอนั่งผู้ว่าราชการใิพังทลายย่อยยับไปในกองไฟมหมา ข้าวของทรัพย์สินอันมีค่าภายในบ้านถูกขนย้ายออกจากจวนไปไว้กลางทุ่งนาหลังบ้านเป็นโกลาหลุนแต่ปรากฏเป็นที่น่าอาัศจรรย์ว่าสายอสุนีบาดเป็นสีเขียวพุ่งปราด จ, จากฟ้าเป็นทางไฟหน้าสยองพองขนตามไปไหม้ทรัพย์สินข้าวของที่อยู่กลางทุ่งนานั้นวอดวายหมดสิน้นในขณะเดียวกันเรือสินค้าที่ยืมเงินวัดไปจากเจ้าเมืองจํานวนสองลำในแม่น้ําโขง ก็ถูกลมพายุอุบัติพัดตีล้มจมลงใต้ท้องน้ำหายไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่องค์พระาธาตุพนมเป็นอันมากประชาชนพากันวิพากษ์วิจาร์เพิ่มความยำเกรงมากขึ้นอภินิหารพระาธาตุพนมอีกตอนหนึ่งบันทึกไว้ว่าเมื่อปี2445พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ได้สั่งให้นากลองมหระทึกของพระาธาตุขึ้นไปไว้ในตัวเมืองนครพนม กลองมหระทึกนี่เป็นของวัดของพระท่านเวลานั้นคนงานสี่ห้าคนมาหามออกจากวัดไปถึงประตูถนนอิฐหน้าวัดประตูที่หนึ่งเกิดเหตุวิทย์ประิทธ์อัศจรรย์ต่อหน้าพระยาสุนทรเทพกิจจาลักคือมีเสียงตึงตังในกลองมโหระทึกนั้นแล้วก็มีสัตว์ประหลาดใหญ่เท่าคนตัวเป็นขนสีดํารุงรังหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัววิ่งออกมาจากกลอง แล้วกระโจนลงบึงทางใต้วิ่งไปบนน้ำแตกกระจายเป็นละรอกเสียงดังเหมือนควายตัวตัวโตวิ่งลุยน้าไปอย่างนั้นพระยาสุนทรเทพกิจารักษ์และคนงานตกใจกลัวลืมสติไปชั่วระยะหนึ่งพอได้สติก็ทิ้งมหระทึกพากันวิ่งหนีร้องลั่นว่าผีหลอกต้องนำมหระทึกนี้กลับไปไว้ในพระธาตุอย่างเก่าต่อมาคนเหล่านี้ก็พากันล้มป่วยลงอาการหนัก ต้องให้ญาติพี่น้องเอาดอกไม้ธูปเทียนมาขอขมาลาโทษเทวาอารักษ์องค์พระาธาตุจึงได้หายเป็นปกติเมื่อปีพศ2497มีงานยกฉัตรพระาธาตุพนมเป็นรัฐพิธีใหญ่โตมโหฬารจัดงานเจ็ดวันเจ็ดคืนผู้คนเป็นเรือนแสนมืดฟ้ามัวดินภายในบริเวณพระาธาตุนี่ขยับตัวไม่ได้เลยคนที่อยู่ข้างในจะออกก็ออกไม่ได้เพราะคนแน่นยังกับแป้งยับนาน วันสุดท้ายของงานเวลาห้าทุ่มประชาชนเรือนแสนในบริเวณงานได้เห็นลำแสงประหลาดเป็นลำยาวพุ่งปราดข้ามโขงมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือทางกองทหารสนามเหนือก็เตรียมพร้อมเพราะว่าเข้าใจว่าข่าศึกจะยิงจรวดไฟมาจากทางฝั่งประเทศลาวลำแสงประหลาดนี้พุ่งตรงข้ามบึงมายังหน้าวัดพระาธาตุ มีลักษณะกลมโตเท่าลูกมะพร้าวสุกสว่างเปล่งลำแสงหลายสีเป็นทางยาวเหมือนกับดาวหางสร้างความแตกตื่นโจดจันให้แก่ประชาชนเรือนแสนในบริเวณงานเป็นอันมากลำแสงดวงไฟนี้ได้เลี้ยวอ้อมวัดไปทางทิศใต้แล้วหายไปในความมืดประชาชนวิภาควิจาร์กันว่าพระบรมธาตุได้ทำปาฏิหาริย์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มานมัส ก, การในงานนี้ได้ชื่นชมยินดีกัน ครับเวลาหมดแล้วท่านดูฟัง